ก็เหลือน้อยลงน ะ, ะเป็นธรรมดาจากทอากรถิ่นเสร็จแล้วพระหลายรูปก็แยกย้ายกันไปที่สซงหารลาเพยก็ไม่น้อยอที่ไปทุดงไปจาริกหรือว่าไปทํากิจธุระชั่วครั้งช่วคราวก็มีอยู่ออกภาษาจริงๆก็คือตอนที่ทอากรถินเสร็จแล้วนะถ้ายังทอากรถินยังไม่ได้ทอากรถินนะถึงแม้ออกปภรษาไปก็ยังไม่เรียกว่าออกปภรษาที่แท้จริงนะออกภาษาแท้จริงนะ มันเกิดขึ้นเมื่อท่ อ, ทอกระถินเสร็จแล้วแต่บรรยากาศตอนนี้นะมันก็ยังคล้ายๆกับอยู่ในช่วงเข้าพรรษาอยู่เลยนะดินฟ้าอากาศมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นฤดูหนาวหรือว่าฤดูแล้งอันนี้ก็เป็นธรรมดาของธรรมชาติของภูมิอากาศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้โดยเฉพาะในยุค ป, ปัจจุบัน แต่ก็ยังไงก็ให้าทาหน้าที่ของเราเหมือนเคยนะก็คือการปฏิบัติการเจริญสติการดูจิตดูใจของเรารวมทั้งการรู้จักนะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ต่างๆนะที่ผ่านเข้ามาหรือทั้งที่เราเข้าไปเจอทีตทิ่ผ่านมาก็ได้เดินสายไปบรรยายในที่ต่างๆหลายที่ หลายจังหวัดทั้งเพชรบุรีลำปางลำพูนไปเชียงใหม่แล้วก็ระยองจากระยองก็ต่อไปหาดใหญ่แล้วก็เลยไปยังปีนังเลยปีนังนี่มันอยู่ในประเทศมาเลเซียนะแต่ว่าเดินทางด้วยรถยนต์ก็สะดวกทีเดียวจากหาดใหญ่ไปสดาวก็ชั่วโมงหนึ่งจากสะตวซึ่งเป็นชายแดงก็ต่อไปปีนังอีกสองชั่วโมง พอๆกับกรุงเทพนะปากช่องหรือกรุงเทพโคราชเป็นครั้งแรกนะที่ได้ไปถึงเกาะปีนังนะซึ่งสมัยก่อนคนไทยเรียกว่าเกาะหมากน ะ, ะปีนังนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมากมีทั้งจีนมีทั้งแขกแขกนี่ก็ทั้งแขกฮินดูแขก มุสลิมก่อนนี้ก็ไม่ใหญ่นะแล้วก็โดยเฉพาะช่วงที่เป็นเมืองโบราณเมืองเก่าเนี่ยที่คือยอชทาวน์เนี่ยเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากวัดไทยวัดพม่า ก, ก็อยู่ตรงข้ามกันศาลเจ้าของคนจีนศาลเจ้าแม่กวนอิมนะก็อยู่ไม่ไกลนะจากวัดแขกวัดแขกก็คือเทวสถานของฮินดูนั่นแหละ แต่เราเรียง่ายๆว่าวัดแขกนะแต่ไม่ได้มีพระนะนะก็มีแต่พราหมณ์ทำพิธีไม่ไกลนะ200เมตรก็เป็ น, ปนมัสยิดนะถนนเดียวกันเนี่ยไม่ยาวเท่าไหร่นะก็มีทั้งศาลเจ้ามีทั้งวัดแขกมีทั้งมัสยิดแล้วก็ยังมีโบสถ์คริสต์ด้วยอยู่ใกล้กันมากทีเดียวนะแต่ว่าคนก็ถึงไม่จะต่างเชื้อชาติต่างภาษาต่างศาสนาก็อยู่ร่วมกันได้ อันนี้ก็เป็นความกลมกลืนที่น่าสนใจนะแต่เดี๋ยวนี้ความกลมกลืนที่ว่ามันก็จะเริ่มร้าวฉานละเพราะว่าความขัดแย้งกันในเรื่องศาสนาแต่ว่าที่ปีนังนี่นะก็ยังดูแล้วก็มีความาราบรื่มกลมกลืนนะมันก็ทำให้ความแตกต่างมันกลายเป็นสีสันอย่างหนึ่งนะเหมือนกับเหมือนกับพวงมาลัยนะพวงมาลัยจะสวยเนี่ยก็เพราะมันมีดอกไม้หลายสี แต่ว่าก็เชื่อมร้อยเข้าด้วยกันมันก็กลายเป็นความงามที่เอาไว้ใช้บูชาพระได้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจน ะ, ะก็คิดว่าน่าจะเล่าให้ฟังก็คือว่าที่นั่นเนี่ยเขามีย่านที่เป็นเมืองเก่าชื่อว่าเยอ t ทาวอย่างที่ได้พูดไปแล้วมันเป็นมรดกโลกไปแล้วนะตอนนี้อาคารบ้านเรือนก็ไม่ได้เก่ามากนะร้อยสองรอปี แต่ว่าเขาอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดีหลายคนไปเห็นย่านนั้นก็นึกถึงภูกเก็ตบางทีก็นึกถึงสงขลาสงขลานี่ก็มีย่านหนึ่งเรียกว่าถนนนางงามก็จะมีตึกเก่าแบบให้เรียกว่าตึกเก่าแบบชิโนโปรตุกีสนะชิโนโปรตุกสชิโนคือจีนโปรตุกีสก็คือโปรตุเกสแต่จริงๆเนี่ย มันมันเป็นส่วนผสมของนะจีนกับส่วนผสมของฝรั่งซึ่งทำให้ตึกเนี่ยน่าสนใจอาคารก็สวยได้ไปดูพิพิธภัณฑ์เนี่ยรวมทั้งได้เห็นภาพเก่าๆของปี น, งนังนะเมื่อสองร้อยปีก่อนหรือว่าเดย์พร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันก็ทำได้เห็นเลยนะว่าปีนังเนี่ยเมื่อร้อยหรือ1้อยห้าสิบปีก่อนนี่รุ่งเรืองมากนะรุ่งเรืองมากเพราะว่าเป็น เป็นศูนย์กลางของการค้าขายเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นเกาะที่อยู่ตรงช่องแคบนะใกล้ๆกับช่องแคบมรลกาการคมนาคมสมัยก่อนการพันธย์สมัยก่อนก็ต้องใช้เรือเรือจากยุโรปเนี่ยหรือจากอินเดียนี่จะมาจะไปจีนเนี่ยก็ต้องผ่านช่องแคบมรลากาปีนังเนี่ยซึ่งอยู่ตรงนั้นน่ยใกล้ๆเนี่ยมันก็เลยเป็นมีความสําคัญนะ เป็นจุดที่สำคัญทั้งในเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็การค้าถ้าเทียบกันก็เหมือนกับสิงคโปร์เวลานี้มาลึกมาลักปีนางเมื่อสักร้อยหรือ150หสิปีก่อนเนี่ยนะร้อยปีก่อนเนี่ยมเป็นของของอังกฤษนะไทยเนี่ยเคยมีทิพลเหนือเกาะปีนงังจริงเรีกว่าเกาะมากนะแต่ว่าสมัยรัการที่ห้าก็อังกฤษก็เข้ามาครอบครองแทนแล้วเขาก็ เป็นมหาอำนาจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การค้าขายก็ทำให้ปีห น, นังนี่รุ่งเรืองรุ่งเรือ ง, ง, ง, งมากนะถนนเขากว้างมากเลยนะกว้างกว่าถนนเจริญกรุงซะกนะถนนกว้างๆอย่างแสดงว่ามันมีความเจริญนะในทางการค้าขายอาคารบ้านเรือนก็เต็มนะสองฝากถนนคนจีนนะก็ไปทำการค้าขายที่นั่นเยอะ แลก็ร่ำรวยมากร่ํารวยแบบที่เรียกว่านึกไม่ถึงเลยนะเพราะว่าไปดูพิพิธภัณฑ์นะของอคนจีนที่มีอิทธิพลนะร่ํารวยเมื่อร้อยกว่าปีก่อน <S <S ก็เห็นเครื่องทองนะของเขาเครื่องทองที่ใช้ประดับประด า, าเรือนผมบ้างหรือว่าเข็มขัดนะเป็นทองเป็นทองทั้งทั้งเส้นเลยนะแล้วก็ กระเป๋าเงินเนี่ยกระเป๋าเงินนี่ก็ทองทั้งนั้นนะแล้วก็มีเยอะด้วยก็ยังไม่เคยเห็นอ่าทองที่เอามาใช้เป็นเครื่องประดับนะที่มันอลังกาขนาดนั้นนะยังไม่ต้องพูดถึงเครื่องเงินแล้วก็เพชรนะมันแสดงเห็นว่าปีนังสมัยก่อนนี่ร่ํารวยนะแล้วก็ยิ่งใหญ่มากสมัยก่อนเนี่ยภูเก็ตเนี่ยนะร้อยปีก่อนเนี่ยก็ยังเล็กๆอยู่ มณฑลภูเก็ตเนี่ยนะเทสาพิบาลเนี่ยข้าหลวงซึ่งเป็นดูแลภูเก็ตเนี่ยก็คือเจ้าพยาอภยารัศดานุประดิศเนี่ยอยากจะพัฒนาภูเก็ตก็ตองไปไปเรียนแบบนะเอาแบบอย่างปีนังเนี่ยมาม า, มาพัฒนาภูเก็ตรวมทั้งการทําเหมืองแร่นะการปลูกยางปลูกยางเนี่ยนะมันก็เริ่มต้นที่ตรังนะแล้วต่อหลังก็ขยายไปภูเก็ต ก็โดยฝีมือของพระยาลัษฎานุปดิษฐ์ซึ่งก็เป็นคนจีนนะคอซิมบี้นะเป็นต้นตระกูลนัลลนองภูเก็ตเนี่ยเอาเอาปีนังเป็นแบบอย่างนะเพราะว่าปีนังนี่รุ่งเรืองมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครไปปีนังแล้วก็นึกถึงภูเก็ตนะเพราะว่าเราไปลอกเรียนแบบเข้ามาแต่ว่าทําได้ไม่ใหญ่เท่าภูเก็ตนี่เป็นเรียกว่าเป็นลูกเป็นลูกกระโลกของปีนังก็ว่าได้ แต่ทุกวันนี้เนี่ยนะภูเก็ตเนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วโลกมีชื่อเสียงยิ่งกว่าปีนังปีนังเคยรุ่งเรืองเมื่อร้อยปีก่อนเนี่ยแต่ว่าพอผ่านไปนะห้าสิบหกสิบปีมันก็ค่อยลดความสำคัญลงเพราะว่าการคมนาคมก็เปลี่ยนไปนะการการการพา น, นิษย์น ที่มันเคยใช้เรือนะก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องบินภูเก็ตก็อยู่ในสถานะที่ดีกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยภูเก็ตเจริญมากนะคิดว่าร่ํารวยกว่าปีนังนะเยอะตึกรามบ้านช่องนะก็มีไม่น้อยแต่ว่าคนมาเที่ยวที่ภูเก็ตมากกว่ามันก็เห็นอนิจจังนะนอนิจจังของปีนังซึ่งเคยยิ่งใหญ่นะแล้วก็ค่อยๆร่วงโรย พวกตระกูลต่างๆนะคนจีนที่เคยมีความมั่งคั่งนะตระกูลนั้นตระกูลเนเช่นตระกูลคูลเนี่ยไปดูไปดูสารเจ้าสารบรรพบุรุษของตระกูลคูโอ้เมื่อร้อยปีก่อนนี่มันยิ่งใหญ่มากนะเขาทำได้สลักสลาวสวยงามมากทําเป็นย่านที่มีอาคารต่างๆมากมายนะเพราะว่าคนจีนสมัยก่อนก็อยู่กันเป็นตระกูลนะแต่ว่าตอนหลังก็ซบเซา อาคารบ้านหรือก็ถูกปล่อยให้รกร้างนะเพิ่งมาบุรณะกันเมื่อสิบยสิปีนี้เองแต่เขาบูรณะได้ดีมากคือในแง่หนึ่งก็เห็นนะเห็นหนความร่วงโรยนะของยุคสมัยนะเมืองหรือว่าก่อที่เคยร่ำรวยนะมั่งคั่งเนี่ยตอนหลังก็กลายเป็นอ่ถูกปล่อยนะให้ให้ร่วงโรยไปภูเก็ตก็จเจริญมาแทนที่นะ สิงคโปร์ก็เหมือนกันนะก็เจริญแทนที่ปีนังก็กลายเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าในหลังคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวที่ที่ปีนังกันมากขึ้นเขาไปดูอะไรนะไปปีนังเนี่ยถ้าจะไปเที่ยวนะเที่ยวทะเลก็เที่ยวไม่ได้นะเพราะว่าทะเลที่ภูเก็ตสวยก็เยอะกระบี่ก็เหมือนกันจะจะเที่ยวหาความสนุกสนานก็สู้สู้ อ่าพัทยาภูเก็ตไม่ได้นะแค่หาดป่าตองนี่ก็ ก, กินขาดแล้วนะปีนังนี่สู้ไม่ได้เลยแต่คนก็ไปปีนังเพราะว่าไปดูนะไปดูเมืองเก่านะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นมรดกโลกนะนะชื่อว่ายอชทาวไปเห็นไปเห็นเมืองเก่าย่านยอ t ทา n แล้วเนี่ยก็อดทึ่งไม่ได้นะว่าเขารักษาของเก่าไว้ได้ มีอาคารเก่าๆสมัยร้อยสองรอปีเนี่ยซึ่งคนก็ยังอาศัยนะทำการค้าขายเป็นที่พักบ้างนะเป็นร้านค้าบ้างแล้วก็ที่ทำเป็นโรงแรมนะทำเป็นเกสต์เฮาส์ก็มีไม่น้อยแล้วก็ฝรั่งคนต่างชาติก็ไปเที่ยวกันเยอะนะไปดูไปดูของเก่านะเพื่อเพื่อคล้ายๆว่าร ะ, ะลึกชาตินะหรือว่ากลับไป กลับไปลําลึกถึงบรรยากาศที่ชีวิตเนี่ยเป็นไปอย่างเนิบช้าไปเห็นการที่เขาอนุรักษ์อาคารเก่าๆไว้ได้เนี่ยมันก็ทําให้สะท้อนใจนะเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยก่อนที่อาตมาจะจะบวชเนี่ยนะก็เคยไปไปเยือนภูเก็ตนะแล้วก็เห็นอาคารเก่าๆตามตามถนนต่างๆนี่มากมายไอ้ตอนนั้นเนี่ยอาคารเก่าๆเนี่ยก็ ก็ยังน้อยกว่าปีนังนะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันน้อยยิ่งเข้าไปใหญ่นะเพราะว่ามีการทุบมีการทําลายเพราะว่าพอบ้านเมืองมัมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาเนี่ยคนก็รู้สึกว่าอาคารเก่าๆเนี่ยมันไม่เข้าท่านะมันใช้สอยได้น้อยนะมันสู้ตึกสูงๆตึกรับฟ้าตึกสูงสิบยี่สิบชั้นไม่ได้นะอาคารหลายแห่งก็ถูกทุบให้กลายเป็นศูนย์การค้า เป็นทางสรรพสินค้าหลนะายคนก็เชื่อว่าทําอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดรายได้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจมากกว่าถ้ามีตึกเก่าๆนะก็รู้สึกว่ามันยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรถ้าไม่ทุบ ก, ก็ปล่อยให้ซัให้สุดโทมนะจนกระทั่งไม่น่าอยู่มันกลายเป็นถิ่นที่ไม่น่าเดินผ่านเท่าไหรนะ่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะที่ภูเก็ตบ้างหรือว่าที่ ที่สงขาแต่ว่าทางปีนังเนี่ยนะไอ้ตึกที่เคยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจน้อยเมื่อ 30-40 ี่ิปีก่อนเนี่ยตอนนี้เขาทำให้มันมีคุณค่าขึ้นมาในทางวัฒนธรรมนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอับอายต่อไปของไทยเราเนี่ยถ้ามีตึกแบบเนี้ยเราสึกน่าอายนะเราสึกว่ามันสู้ตึกห้าชั้นสิบชั้นสู้สื่นการค้าไม่ได้ ปีนังเนี่ยเขาไม่มีการทุบตึกนะเพื่อสร้างศูนย์การค้านะอย่างภูเก็ตนะอย่างเมืองไทยเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดมีขึ้นกับอดีตนะอดีตที่มันเคยรุ่งเรืองแล้วตอนหลังก็ร่วงโรยเนี่ยเขาก็ทำให้มันมีความหมายขึ้นมาใหม่นะการเป็นที่การเป็นสิ่งที่น่าเชิดน่าภาคภูมิใจนะเป็นเป็นหน้าเป็นตาของบ้านเมือง ในเวลาไปไปเยือนปีนังนี่อดไม่ได้นะที่จะต้องไปเยือนย่านเมืองเก่าที่ตอนนี้เป็นมรดกโลกแล้วก็ได้สัมผัสกับบรรยายกเก่าๆวันนี้มีชีวิตชีวาอยู่เลยนะคนตอนเช้าเนี่ยก็ไปตลาดนะบางคนก็ไปกินกาแฟ้ที่ไปตลาดก็เป็นตลาดอย่างเก่านะตลาดสดมีเคียงหมูนะอยู่ริมถนนวันนี้ก็ขายปลาขายผักขายผลไม้นะคนก็เดินอย่างช้าๆนะไม่เร่งรีบ รถก็ไม่ค่อยมีอันนี้เป็นการทําให้อดีตเนี่ยมันกลับมามีความหมายใหม่ในขณะที่หลายคนก็เสียดายนะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยภูเก็ตเนี่ยมันก็เคยมีสิ่งเหล่านี้นะกระบี่เองก็เคยมีสงขลาก็เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้หาได้น้อยลงล้นะเพราะว่าเราเป็นประเภทนิยมของใหม่นะเราไม่เห็นคุณค่าของของเก่าเพราะเราเห็นว่าของเก่าเนี่ยมันมันไ ม, ม, นไม่มันไม่น่า มันไม่น่าชื่นชมเท่าไหร่แต่ที่จริงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเอามาใช้ให้มันมีคุณค่าอย่างไรอาคารเก่าๆที่เคยเป็นที่พักอาศัยของผู้คนเนี่ยพอทำให้เป็นโรงแรมนะมันกลับกลายเป็นกลายเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์ขึ้นมานะโรงแรมเก่าๆโรงแรมหลายแห่งเนี่ยก็แสาอาคารเก่าๆนี่แหละแต่ว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากนะ มันไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอับอายที่ปล่อยให้สุดรงร ก, กร้างหรือว่าคอยแต่จะทุบทิ้งนะอดีตเนี่ยสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็สามารถจะมีคุณค่าได้ไม่จำเป็นต้องเป็นอดีตที่ร่ำรวยรุ่งเรืองนะอดีตที่มันน่าหดหู่เนี่ยนะมันก็ถ้าเรารักษาเอาไว้หรือทำให้มันมีคุณค่าขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็มีความหมายเหมือนกันนะ อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะใครที่ไปฮิโรชิม่าเนี่ยก็ต้องไปแวะนะอาคารที่มันเคยถูกระเบิดปรมาณูถล่มนะก็มีสร้างอาคารนะที่คนก็ไปดูกันนักท่องเที่ยวก็ต้องไปดูนะไปถ่ายรูปอาคารนี้นะที่เป็นสิ่งตกค้างจากระเบิดปรมาณูเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยสหรับบางคนเนี่ยมันมันทำให้เราลึกถึง ผู้คนที่ล้มตายกันเป็นเป็นแสนนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาอนุรักษ์เอาไว้เนี่ยนะเพื่อเตือนใจให้เราเห็นคุณค่าของสันติภาพเพื่อให้เห็นโทษของระบิดปรามนูมันก็กลายเป็นสิ่งที่นะมีความหมายในทางที่ดีขึ้นมาใหม่หรือว่าค่ายนรกของนาซีเนี่ยที่กลุงมิโปลันเนี่ยชื่อว่าออาชวิตก็ดีเนี่ยนะ เทเบลินกาก็ดีเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะมันก็ในเวลาเมื่อสักแปดสิปีทีล้เจ็สิปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณของความโหดร้ายของมนุษย์นะนาซีนี่ก็เอาคนยิวเนี่ยไปไปกักกันแล้วก็สังหารรวมแล้วก็หกล้านคนได้นะเยอะมากทีเดียวนะฆ่าทุกวันด้วยการลมควันนะรมควันแล้วก็เผาเฉพาะผมเนี่ยนะที่กลอนก่อนที่จะเอาไปฆ่าเนี่ย ก็หนักหลายตันทีเดียวเขากลัอนผมเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์นะเอาไปทําเป็นเบาเอาไปทําอะไรปไปเอาไปทําเป็นหมอนะก็แล้วแต่แต่ว่าเขาก็อนุรักษ์ไว้นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นอดีตที่น่าหดหูแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ทําให้มันชวนให้หดหูเสมอไปนะแต่เป็นเครื่องเตือนใจนะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเคยเคยบ้าคลั่งนะถึงกับขั้นทําร้าย ประหัรประหารผู้คนนะด้วยเหตุผลทางด้านเชื้อชาติทางด้านชาติพันธ์อันนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายใหม่เป็นความหมายที่ดีนะก็คือเพื่อให้เราเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ข่มเหงทาร้ายกันนะเพียงเพราะว่าต่างเชื้อชาตินะต่างชาติพันธ์นั้นก็เป็นการส่งเสริมความรักกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ได้อดีตที่เลวล่เนี่ยนะหรืออดีตที่เคยรุ่งเรืองแล้วก็ร่วงโรยเนี่ยนะ มันไม่เคยไร้ประโยชน์นะถ้าเรารู้จักเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็จะมีคุณค่ามากเดี๋ยวนี้เนี่ยกำแพงเก่าๆเนี่ยซึ่งผู้คนเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่านะต้องทุบทิ้งต้องทําลายนะเพราะว่ามันไปขวางทางถนนบ้างหลายแห่งหลายที่ก็พยายามฟื้นฟูนขึ้นมาใหม่นะอ่าที่ลําปางนะเชียงใหม่นี่เขาก็พยายามรักษาอนุรักษ์อิฐแต่ละก้อนนะที่เคยเป็นกําแพงเอาไว้ไอ้ที่เคยทําลายก็ เอามากาะใหม่เพื่อให้รู้ว่าที่นี่เนี่ยเคยเป็นเคยเป็นกำแพงเมืองนะที่ปักกิ่งเนี่ยที่เคยทําลายกําแพงนะรอบกรุงปักกิ่งในบางทิดเนี่ยเพราะว่าตอนตอนต้องการพัฒนาแตนะ่ตอนนี้ผู้คนก็เสียดายแล้วว่าโอ้ไม่น่าทําลายเลยนะเพราะว่าถ้ารักษาอาไว้นี่มันจะมันจะทําให้อดีตนะอันยิ่งใหญ่นะของของปักกิ่งเนี่ยมันมเห็นเด่นชัดมากขึ้น อันนี้ก็คือเรื่องของการพยายามทำให้อดีตเนี่ยนะที่มันเคยดูเป็นเรื่องล้าหลังนะเป็นเรื่องเชยนะหรือว่าเป็นเรื่องที่น่าหดหูนะไม่น่าย้อนระลึกนึกถึงเนี่ยเขาก็พยายามรักษาแล้วก็พยายามฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นะแต่นำเสนอนะในแง่มุมใหม่นะเพื่อทำให้คนเนี่ยนะเกิดความได้ข้อคิดนะ หรือว่าเข้าใจอดีตความเป็นมาของแต่ละประเทศมากขึ้นอดีตของผู้คนก็เหมือนกันนะมานึกดูเนี่ยหลายคนก็มีอดีตหรือประสบการณ์ที่เวลวร้ายนะอาจจะเป็นความเจ็บปวดสมัยที่ยังเป็นเด็กนะอาจจะเป็นเพราะความยากจนนะถูกพ่อแม่ปล่อยป่ะละเลยหรือว่าต้องปากกัดตินทีบอดีตเหล่านี้เนี่ย ถ้ารู้จักเอามาใช้นะมันก็มีคุณค่านะมีในอเมริกานี่มันมีมันมีนักดนตรีคนหนึ่งนะชื่อบรูซสปริงสทีนนะอันนี้เป็นนักดนตรีที่เมื่อสัก20ปีก่อนนี่มีชื่อมากทุกวันนี้เขาก็ยังเพลงของเขาก็ยังมีคนฟังนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แพร่หลายเหมือนกับนักดนตรีรุ่นใหม่เพล ง, งเขาเนี่ยมีชื่อนะแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่คลาสสิกมากเนี่ย แต่ถ้าดูเนื้อเร่องของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของเขาอดีตสมัยวัยเด็กวัยรุ่นนะที่เจ็บปวดพ่อแม่หย่าร้างกันหรือว่าอยู่ท่ามกลางถิ่นที่มันเต็มไปได้วยความยากจนต้องปากกัดดินทีบนะบางทีก็พอเป็นวัยรุ่นนะก็อาจจะพลั้งเผลอเข้าหายาเสพติดนะหรือว่าอกหักให้ซึ่งเรานี่เป็นอดีตที่มันไม่น่าไม่น่าเอามาชื่นชมนะหรือว่า ไม่น่าเอามาอวดโชว์กันนะแต่ว่าพอเขาเอาอาดีตแล้วเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงนะมันกลายเป็นเพลงที่เป็นอมาตะได้นะมันกลายเป็นเพลงที่มีคุณค่าขึ้นมาก็ทําให้เขาเนี่ยนะกลายเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงได้ขณะที่ตอนตอนที่ยังเป็นเด็กตอนที่ยังวัยรุ่นเนี่ยอดีตแล้วนั้นเนี่ยมันทําให้เจ็บปวดมากนะคมขืนมากนะแต่คนเราเนี่ยถ้ า, ากว่าไม่ปฏิเสธอดีตนะยอมรับว่าอาดีตของเรา นะมันเคยเจ็บปวดมาก่อนแล้วก็ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะยังรู้จักเอามาใช้นะเอามาใช้ในการเป็นวัตถุดิบในการแต่งเพลงนะมันก็ทำให้กลายเป็นอ่เป็นงานที่มีคุณค่าแถมยังทำมาหากินได้ด้วยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะผู้หญิงไทยนะตอนอายุตอนมสามได้มั้งก็เกิดไปชอบผู้ชายแล้วก็เกิดอ่ท้องขึ้นมาพอท้องแล้วมีลูกเนี่ยนะ ก็ต้องออกจากโรงเรียนนะพ่อแม่ก็ไม่พอใจนะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนก็เรียกว่าต้องอยู่กันแบบปากกัดตินทีไม่มีเงินเนี่ยไปมาเลี้ยงลูกนะก็พยายามไปทำงานรับจ้างเป็นพนักงานเสิร์ฟในพัตคารก็ได้เงินน้อยนะตอนหลังเนี่ยมีคนชวนไปไปทำงานที่พัทยาแล้วก็จับพัจจพูนะกลายเป็นว่าต้องขายตัว ก็ได้เงินมาพอสมควรนะได้เงินมเป็นก่อเป็นกรรมเอามาจ่ายเป็นค่านมนะค่าเลี้ยงลูกได้นะเพราะว่าไม่มีความรู้อย่างอื่นตอนหลังก็พลัดตกเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมนะการค้าการบริการทางเพศนะแล้วก็กลายเป็นโสเภณีนะเต็มขั้นเลยนะจากเด็กอายุ15บห้าสบเจดนี่ยนะก็กลายเป็นโสเภณีอยู่ในแวดวงแนวงอ่ ขายตัวเนี่ยสิบยี่สิบปีไดนะ้ตอนหลังก็ไปขายตัวที่ประเทศญี่ปุ่นมั่งที่ฮ่องกงมั่งสิงคโปร์บ้างบางคราก็ถูกจับนะถูกส่งกลับมาเมืองไทยก็ไม่เข็ดตอนหลังก็ไปนะขายตัวจนถึงเนี่ยตหนออกกลางถูกจับนะส่งกลับมาเมืองไทยติดคุกในเมืองไทยด้วยก็เรียกว่ายี่สิบยี่สิกว่าปีเนี่ยจนอายุสี่สิบเนี่ย ชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยความขมขื่นนะก็ะสัวตัวเองเนี่ยไรคุณค่าแต่ตอนหลังเขาก็เลิกนะเลิกตอนที่อายุสี่สิบละก็อยู่ในวงการนี่มายี่สิบกว่าปีไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงนะชีวิตที่ผ่านมามันก็เป็นชีวิตที่ขมขื่นมากเรียกว่าชีวิบตบาดซบนะแต่ตอนหลังเนี่ยเธอก็เกิดความคิดขึ้นมาได้ข่าวว่ามันมีการ ประกวดหนังสือสารคดีเธอก็ลองเอาประสบการณ์เธอนี่มาเขียนเป็นสารคดีเขียนผิดๆถูกๆนะอาตมาเนี่ยเป็นกรรมการด้วยปีนั้นเนี่ยเป็นกรรมการตัดสินสารคดีทุกคนก็เห็นว่าถึงแม้เธอจะเขียนผิดๆถูกๆนะแต่ว่างานเขียนเธอเนี่ยมันดีมากนะถึงแม้ว่าจะเต็มไปด้วยเรื่องราวคาวโลกีนะเรื่องการติดยาเรื่องของ การทรอยต์หักหลังเรื่องของการขายเนื้อขายตัวนะแต่ว่ามันเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้นะก็เลยให้รางวัลนะชนะเลิศไปปรากอว่าเธอเนี่ยไม่นานก็กลายเป็นนักเขียนดังนะหนังสือเล่นางเธอก็พิมพ์ซ้ําไม่รู้กี่ครั้งตอนหลังก็มีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศนะก็กลายเป็นนักเขียนมีชื่อเธอก็เอาต่อมาต่อหลังเธอก็เอาเรื่องที่เธอติดคุกเนี่ยมาเขียนนะ ไอ้ติดคุเนี่ยมันไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีเลยนะมันเจ็บปวดนะแต่ว่าพาอามาเขียนแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นผลงานที่คนติดตามอ่านอ่านะล่าสุดก็ได้รางวัลอีกแล้วนะได้รางวัลอีกเป็นครั้งที่2ตอนนี้ก็เลยจากคนที่มีประสบการณ์ที่ควรจะเรียกว่าแอบแอบซ่อนๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอับอายนะแต่พอเธอเอามาใช้ประโยชน์นะ เพื่อเป็นบทเรียนเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตของคนเพื่อไม่ให้พลังพลาดเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเป็นงานที่ดีขึ้นมาได้นี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าประสบการณ์ในอดีตของเราเนี่ยแม้มันจะเลวร้ายยางไรเนี่ยมันไม่เคยไร้ค่านะมันมีประโยชน์อยู่ที่ว่าเราจะใช้มันอย่างไรแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้จักใช้นะก็พยายามเก็บซ่อนอดีตที่เจ็บปวดเอาไว้หรือว่า พยาย า, พยายามพยายามผลักสายมันออกไปนึกถึงทีไรก็รู้สึกขมขื่นแต่เป็นพ่อไม่รู้จักมองนะถ้ารู้จักมองเนี่ยมันจะได้ประโยชน์นะจากประสบการณ์เหล่านี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะเห็นประโยชน์ของมันว่าเออมันทําให้เราเข้มแข็งนะชีวิตวัยเด็กที่ลําบากยากจนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอบอายเลยมันทําให้เรากลายเป็นคนสู้ชีวิตทําให้เรารู้จักพึ่งตนเองทําให้เรามีใจคอยเด็ดเดี่ยวพึ่งพาตัวเองได้ คนเราเนี่ยพอมองเห็นตรงนี้นะกับจะรู้สึกภาคภูมิใจในอดีตที่ผ่านมาอาจารย์ประมวลเพลงจันเล่าว่าเนี่ยตอนที่เคยตอนที่บวชพระแล้วก็ไปเรียนไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียเนี่ยทำปริญญาทำปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกส0บปีรู้สึกขมขื่นมากนะกับชีวิตที่อินเดียเพราะว่ามีปัญหากับชาวอินเดียหลายอย่างอาจารย์ประมวลบอกว่าเนี่ย บางครั้งก็ร้องไห้นะร้องไห้เนี่ยในระหว่างที่อยู่อินเดียแล้วก็พอพอศึกเนี่ยจบด็อกเตอร์แล้วก็ศึกมาเป็นอาจารย์ที่เชียงใหม่ก็ก็คงไม่คิดจะกลับไปอินเดียอีกนะแต่ว่าผ่านไปยี่สิบปีเนี่ยอาจารย์บอกว่าเนี่ยพอคิดถึงประสบการณ์ใอินเดียเนี่ยมันซาบซึ้งมากเลยรู้สึกซาบซึง้งเพราะว่าประสบการณ์ที่ยากลำบากในอินเดียเนี่ยมัน มันส่งผลนะต่อความเป็นตัวตัวท่านเนี่ยมากทีเดียวนะได้เรียนรู้ได้พัฒนาตนเนี่ยจากประสบการณ์นั้นพอเปลี่ยนมุมมองนะแทนที่จะรู้สึกขมคืนนะแทนจะรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยมันกลับรู้สึกซาบซึ้งแทนนะประสบการณ์เดียวกันเนี่ยนะตอนที่ตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยรู้สึกแย่นะรู้สึกเจ็บปวดนะแต่พอผ่านไปแล้วเปลี่ยนมุมมองเนี่ย กลับกลายเป็นความทราบซึ้งประทับใจนึกถึงแล้วก็น้ำตารื้นนะด้วยความทราบซึ้งตอนหลังจาร์ประโมยก็กลับไปประเทศอินเดียนะเรากลับไปราลึกถึงความหลังกลับไปขอบคุณนะสิ่งต่างๆนะที่ทำให้เป็นตัวท่านทุกวันนี้เรียกว่ากลับไปขอบคุณแล้วก็ทราบซึ้งในทุกอย่างที่เป็นอินเดียอย่างที่เคยเล่าแล้ ว, ลวนะซิโกเนี่ยซิโก้เนี่ ย, ยตอนที่เขา ถูกซื้อตัวไปประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็ฝันว่าเขาจะได้ลงสนามในนามสโมสร อ, อังกฤษนะแต่ว่าจนแล้วจนรอดนี่ก็ไม่เคยได้ลงสนามเลยนะเป็นตัวสำรองตลอดนั่งอยู่ข้างสนามตอนนั้นรู้สึกแย่มากรู้สึกว่าการการไปอังกฤษครั้งนั้นเนี่ยมันล้มเหลวไม่อยากพูดถึงใครมาถามก็ไม่อยากพูดนะแต่ว่าหลายปีผ่านไปพอมีคนถามเรื่องนี้นะกับยิ้มนะกับยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรเลย ผมแค่มองไม่ออกมองไม่เห็นเราก็เล่าว่าไปอินเดียไปไปอังกฤษเขานมีแต่ได้กับได้นะได้บ้านได้รถนะได้พัฒนาร่างกายได้ภาษาได้รู้จักคนมากมายได้เห็นมุมมองใหม่นะได้เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ได้รู้จักสัมผัสกับลีกฟุตบอลที่มีสีสันที่สุดในโลกเสียงเดี๋ยวคือไม่ได้เล่นคือพอเปลี่ยนมุมมองนะกับรู้สึกซาบซึ้งนะ ประสบการณ์ที่อังกฤษนะว่าโอ้มันให้อะไรเรามากมายนะแต่ตอนนั้นเนี่ยมองไม่เห็นอันเนี้ยพูดมาทั้งหมดเพื่อชี้ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอดีตเนี่ยแม้บางครั้งจะเป็นอดีตที่มันร่วงโรยหรือเป็นอดีตที่ขมขื่นเป็นอดีตที่น่าอบอายตราบใดที่เรายังทุกข์เมื่อยังระลึกถึงอันนั้นเนี่ยแสดงว่าเรายังมองไม่เป็นนะถ้าเรามองเป็นเนี่ยนะเราจะเห็นคุณค่าของมันหรือถ้าเราเราจะใช้มันให้เป็นเนี่ยนะ มันจะมีประโยชน์มากนะไม่ว่าจะเป็นตึกเก่าๆนะมันก็กลายเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของของของเมืองของประเทศได้ประสบการณ์ที่เจ็บปวดนะถ้ามองมาสมัยก็พว่าโอ๋มันน่าภาคภูมิใจเหลือเกินหรือว่าถ้ารู้จักจเอามาใช้นะมันก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็เอามาทําเงินได้นะ เอามาแต่งเป็นเพลงก็ได้เงินเอามาแต่งเป็นนิยายนะเป็นสารคดีก็ได้เงินแต่มันได้มากกว่า น, นั้นนะมันได้ความภาคภูมิใจนะแล้วก็ได้บทเรียนชีวิตดังนั้นจริงผูดได้ว่าเนี่ยประสบการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะมันไม่เคยศูญย์เปล่าเลยมันไม่เคยไร้ค่าเลยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ประสบการณ์ในอดีตเท่านั้นนะประสบการณ์ในปัจจุบันด้วยไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนที่ไหนอันนี้รวมถึงความเจ็บความป่วยนะ ความทุกข์ยากลำบากความล้มเหลวนะความยากจนนะความพัดพลาสูญเสียนี่ก็เป็นประสบการณ์นะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายคนหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้วนึกถึงเทลาไรก็เจ็บปวดนะแต่ว่านั่นเป็นเพราะว่าเรายังมองไม่เป็นนะเรายังไม่รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์หรือถึงแม้เป็นสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันถ้ามองดูดีๆนะมันก็มีประโยชน์ให้กับเราได้นะ อันนี้รวมถึงอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจเรานะความโกรธความหงุดหงิดนิวรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติให้พวกนี้อย่าไปผักสายมันนะอย่ไปกดข่มจะไปลังเกียจมันมันเป็นประสบการณ์ที่ถ้าเรารู้จักใช้ให้ดีก็มีประโยชน์มันสอนทำได้มันสอนทําให้กับเราได้มันฝึกสติให้เรามีสติที่รวดเร็วฉับไวก็ได้นะมันสามารถจะแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราเห็นก็ได้นะ หลายคนเวลาภาวนาเนี่ยเวลามันมีความงุงเหงาหอน่อยมีความหงุดหงิดมีความฟุ้งซ่านไม่ชอบมองว่าเป็นปัญหานะอันนี้เพราะว่าเรายัางมองมันไม่เป็นเรายัางรู้จักใช้มันไม่ถูกนักภาวนาเนี่ยอย่างที่เคยบอนนะหลวงพ่อคำเขียนท่านว่าเนี่ยต้องรู้จักเป็นนักชฉลยโอกาสรวมนักชฉลยช่วยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราให้เป็นประโยชน์ด้วยแต่ไม่ใช่ประโยชน์ในทางสนองกินเลสนะไม่ใช่ประโยชน์เพื่อเอารัดเอาเปรียบใครแต่ว่าเป็นประโยชน์ในทางที่ทําให้เรา มีปัญญามากขึ้นมีสติมากขึ้นมีภูมิธรรมนะสูงขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้รู้จักมองนะรู้จักใชนะ้มันเป็นของดีทั้งนั้นแหละนะถ้าว่าเรามองเป็นหรือว่ารู้จักใช้ให้ให้ถูกต้องคำเดียวเพวกเท่านี้นะกราบพระ